อันเรโสดาบันยังมีปัญญาน้อยเพียงตัดได้เพียงอารมณ์รู้สึกว่ามีความตายเป็นปกติชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีไว้เสมออันนี้เป็นกิตอันหนึง่ง ที่การที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันตัวอย่างที่แล้วมาก็ได้แก่เปส ก, การีธิดาคือลูกสาวคนนายช่างหก <c oughs> นันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแล้วในวันก่อนมีการเที่ยวเป็นพระโสดาบันได้นั้นองค์สมเด็จระทรงทันทรงตัดว่าต้องตัดสั่โยตสามรายการคือส ก, กาญทิทิ เห็นว่าสภาพร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือบางท่านตามพระบาลีที่กล่าวว่าพิจรณาหินขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราแต่ว่าความจริงขันห้านี้พวกเรามักจะรวมตัวไว้ในคําว่าร่างกาย <c oughs> กอ ม, มีร่างกายเป็นสำคัญในกำลังเขาบสรลดาบันนั้นตัดได้แค่นิดเดียวคือมีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตายเท่านั้นยังไม่ถึงก็ประเปลื้องว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเท่านี้บวังว่าคงไม่เป็นการสุดวิสัยขามันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง <c oughs> ที่ะพึงทำให้เข้าถึงได้ วันนี้ก็เห็นจะไม่พูดกันถึงเรื่องการไม่สงสัยในคำสัง่งในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะว่าการที่เรานึกถึงความตายเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่สงสัยในคำสัง่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ไปก็ไปจับสังโยตัวที่สามคือศีรพตปรามาส องสมเด็จพระร่มมาโลกก็ น, นา่าสงสัยว่าพระโสดาบันจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลไม่บันดาท่านพุทธบริสัทธ์ผู้รับฟังมีทั้งพระมีทั้งเนินมีทั้งครัววัมาวา <c oughs> ีการรักษาสิลก็จะต้องเป็นศีลเฉพาะของแต่ละเพศพระคือสิกขาบทสองรอยยี่สิบเจ็ดรวมทั้งอภิสม า, าจารย์ด้วย สำหรับสมณเ น, นมีสิขาบทสิครวมทั้งเสกิยวัตอีกเจ็ดสิบห้าเป็นแปดสิบห้าสำหรับครวสก็ต้องมีสินห้าบริสุทธิ์รวมทั้งพร ม, มิหารสีด้วยอย่างนี้จึงจะช่วยให้มีสินบริสุทธิ์อันนี้สำหรับสินเ <c oughs> ขาเว่นกันแบบไหน สิ regret, Allah, ars, judge, si, Hari, ่นี fruitful, ้ที่จะขาดหรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเป็นสําคัญเราต้องไม่มีเจตนาเพื่อทาลายชีวิตสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้รับความลําบากความจริงการทรมานสัตว์ให้รับความลําบากไม่ถึงกับสิงขาดแต่รู้สึกว่าสิ่งจะทะลุไปเแล้วมันไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุผ่านลงเข้าเราที่ไม่ขาดแต่เป็นรูทุนมันจะดีหรือ ฉะนั้นจรงควรยังลดเว้นเสียทั้งหมดคือทั้งไม่ทําให้ขาดด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ะลุ ด, ด้วยคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> นอกจากไม่ฆ่าไม่ทรมานแล้วแล้วก็มีอารมณ์จิตเมตตาสงเคราะห์มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสัตว์กัเรามีสภาวะเสมอกันคือ ม, มีความต้องการในความสุขไม่ต้องการในความทุกข์ ต้องการในความเกื้อกูลซึ่งกันและกันแทนที่เราจะฆ่ากลับมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าจะมารู้สึกสั ด, ดใจเห็น ว, ว่าท่านบุญใดสดาความรังเกียจในสัตว์เห็นเขแล้วหนักใจมากและสลดใจมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์กับเราเรากับสัตว์มีสภาวะเหมือนกัน มีความหิวมีความกระหายมีความต้องการทุกอย่างเหมือนกันไม่เมื่อความรู้สึกมันเหมือนกันอย่างนี้เราจะไปนั่งเดินเกียรกันเพื่ออะไรแลิน เ, เกียรว่าร่างกายเขาสัตว์สกปรกอยากคายตชาชาร่างกายของเราละ่ะมันดีกว่าสัตว์ตรงไหนสัตว์ม่อีอุจาระเราก็มีอุจาระ สัตว์มีปัสาวะเราก็มีปัดสาวะสัตว์มีน้เลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็มีเหมือนกันสัตว์กินกของสดที่ขาวเราก็กินของสดข่าวเหมือนกันสัตว <c oughs> ์ต้องการเสบกรมเราก็มีความปรารถนาในการเสบกรมเหมือนกันแป้ว่าสัตว์ค่าคนน้อยแต่คนค่าสัตว์มาก สัตว์เบียดเบียนคนมีน้อยแต่คนเบียดเบียนสัตว์มากอย่างนี้ใครควรจะรังเกียจใครมนุษย์คือเราควรรังเกียจสัตว์หรือว่าสัตว์จะคนรังเกียจเรานั่งเล็กนั่งพิจารณาดูให้ดี <c oughs> ว่ามนุษย์มันจะยกย่องตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสัตว์ตัวเดิรแต่เลือกแท้จริงๆแล้ววันหนึ่ง พวปลาทูปลาเล็กและปลาใหญ่ฆ่าคนตายกี่คนแม่คนฆ่าสัตว์ตายวันละกี่ตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วนา น, นเราจะมานั่งรังเกียดสัตว์เพื่อประโยชน์อะไร <c oughs> ต่ยายว่ากันไปเราเองติดในความร้ายกว่าสัตว์มากนี่เราจะไม่พูดกันใงข้อนี้เราก็พูดกันเฉพาะในข้อที่ว่าเรา มีความต้องการเมตตาปราณีสัตว์เราไม่รังเกลียดในสัตว์เ็าแล้วกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> มีความรู้สึกว่าสัตว์กับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายเหมือนกันางานนี้สบายใจดีไหมถ้าเราอยากจะฆ่าเขาถ้าเขาจะฆ่าเราเขาบางังเราจะมีความรู้สึกยังไง เราไม่ต้องการสัตว์ตัวเล็กเลกเช่นอยู่ขอเลือดเราหยดเดียวเราโกรธตีซะจนตายมีค่าของชีวิตของสัตว์ท่านยังไม่มีราคาข้างวดไม่มีใครรับรองชีวิตเสตเลยเป็นอนุว่าความร้ายแรงของคนมีความร้ายแรงยิ่งกว่าสัตว์ทําไมเราจะตั้งเป็นนั่งรังเกียจสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชั้นเลวสัว้นดิบชนนะั้นเนี จะยกย่องตนเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชันดีสัตว์ประเสริฐหนักใจตอนนี้ขอพูดตรงๆว่าหนักใจไม่ทราบว่าจะแก้ไข ย, ยังไงใช่มีความรู้สึกดีไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านอันหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินทรสีเราปฏิบัติเพื่อความเป็นประโยนดาบันเราก็ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารไว้เป็นที่ตัง้ง เราก็ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์ไม่ยอมกันแกล้งให้สัตว์ได้รับความลำบากมีความปรับนิ่มใจเมื่อ ม, มีโอกาสได้สงเคราะห์สัตว์ให้มีความสุข <c oughs> นี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับศีลข้อที่สองข้อว่าอธินาทานการลักกายนขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่น ความจริงทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยแล้วก็มีชาว บ, บ้านที่ไหนที่เคยประกาศทำหนังสือพิมพ์ประกาศทางวิทยุแจกใบปลิวและโฆษณาและขยายเสียงว่าทรัพย์สินของฉันมีมากขอท่านอันหลายจะมาช่วยกอบโกยทรัพย์สินของฉันไยโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้อาตมาชีวิตอย่างน้อย แต่ว่าชีวิตที่เกิดมาผ่านมาที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็ เ, เป็นอนุว่าเท่าดีทราบคนก็ดีใส่คน ด, ดีไม่ต้องการให้เรายืดอย่างทรัพย์สินของเขาเรามีความรู้สึกเช่นใดเขาก็มีความรู้สึกฉันนั้นมีความต้องการในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราจะทําลายด้วยวิธีไหน องสมเด็จด้วยจอมไตรทรงตรัส <c oughs> ว่าการอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องจากความโลภเป็นสำคัญการที่เราจะทำลายความโลภให้หมดไปแล้วก็ต้องมีการให้ทานเป็นการต่อต้านกับความรู้สึกนั้นความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเราไม่เอาละ เราไม่ต้องการอยากได้ทรัพย์สินของเขาแต่ว่าเรากลับให้ทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอืน่นนี่เป็นปฏิปทาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสูดาบันเขียนว่าพระสูดาบันทุกท่านพอใจในการสงเคราะห์เป็นการทําลายโลภความโลภไม่มีความทะเย อ, อทะยานอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตน แต่ว่าเบโสดาบันยังร่ำรวยแต่ว่าการธรรม า, ากินโดยปกติท่านเรียกว่าสัมม า, าชีวะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงทำนิแล้วไม่ทรงถือว่าเป็นความโลภความโลภในที่นี้เป็นการถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยไม่ชอบธทมเท่านั้นนี่การแก้ตัวนี้แก้โลภตัวนี้ก็ต้องการมีการให้ทานเป็นเป็นกําลัง การให้ทานที่จะมีขึ้นได้ก็อาศัยจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี้เป็นอนุภาพถ้าเรามีเมตตาความรักมีเมตตาความสงสารก็คมสินได้สองสี่าบทแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระปฏิแก้วงแนะนำว่าโทษแห่งความทุกข์ด้วยเหตุแห่งความทุกข์ข้อที่สาม ไมว่าการเมสุเมชาจารการละเมิดชีวิตแลการละเมิดความรักในบุคคลอืน่นข้อนี้เรามีความเข้าใจว่าแย่งสามีเขาแย่งพัญญาเขาเป็นการเมธสุเมชาจารเตือนเมื่อแท้ละองสมเด็จพระพิชิตามารทรงตรัสว่าสามีเขาก็ดีพัญญาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีหลานเขาก็ดีเลงเขาก็ดี ยากเขก็ดีคนรับใช้คนดีคนอยู่กับผู้บังคับบัญชาคนดีทั้งหมดนี้ถ้าไปละเมิดโดยที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครองเขาไม่รู้บิดามารดาไม่รู้เพระไม่อนญาตเขาผู้นั้นมีโทษเป็นการมเมีอันนี้ต้องวดให้หมดยินดีแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเท่านั้นจึีงจะถูกต้องตามแภาวะแห่งการรักษาสิน เพื่อความเป็นประสดาบันนี่ความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงดีไม่ดีเหงนคู่ครองของบุคคลอื่นมันน่ารักน่าปราสนาน่าร่วมรักแท้จริงๆจะเป็นท่านชายก็ดีท่านหญิงก็ดีมันนึกถึงตัวเราก็แล้วกันว่าเขากับเราผู้เป็นเจาของย่อมมีความรู้สึกสเสมอกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายคนรักของเราและบุสรายของเราโดยที่เราไม่เห็นชอบด้วยชั้นใดคนอื่นทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกฉันนั้นอดใจยอมรับนับเที่ยวซึ่งกันและกันใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารบุคคลผู้เป็นผู้ปกครองว่าเขากับเรามีความรู้สึกเหมือนกันใน ต, ตอนนี้ท่านเรียกว่าสันโดษ ยินดีแต่เฉพาะคู่ครองของตัวเท่านั้นหักอารมณ์ขมใจเข้าไว้เพื่อการสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างให้คนมีความสุขตลอดการตลอดสมัยถ้าทำผิดจังหวะเข้าไปล่วงละเมิดคนรักของบุคคลอื่นขเขาเข้าหรือที่เขาหวงแหนชีวิตจะสัน้นตัวเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนก้ อ, อนนี้องค์สมเด็จวิชนวรเจ้รสุงแนะนำให้ละเสีย เราจะมีความสุขข้อดีใส่ข้อดีสี่มุสาวาทองสมเด็จพระเรามาโลกกั น, นาดให้ปรารบว่าเราเองต้องการไหมมาคนอื่นเขาจะมาโกหกมดเท็จในเรื่องที่เราต้องการความจริงอันนี้ก็จะมองเห็นได้ว่าท่านชายและท่านหญิงก็ไม่มีไม่พึงปรารถนาเราไม่ต้องการชั้นใดเขาก็ไม่ต้องการชั้นนั้น นอกจากคำวสวาทวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วองสมเนตรพระบทณฑิตแก้ให้ระงับเพื่อคำคือคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังวาจาสอดเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นเขามีแต่ราวเสิ่งอะลกั น, เ, กนเพื่อเจอเดี๋ยวไหลาวาจาที่ร้ายประโยชน์ พูแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้องค์สเมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแนะนําให้ละเสียร่วมความว่าทิ่งทั้งหมดนี้เราเองเราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วใครเขาะจะต้องการข้อที่ห้าองค์สเมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำให้ละจากการดื่มสุราเรามีไรเพราะแปลว่าพราะว่าเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาท อั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามปกติเราก็เมาอยู่แล้วถ้าเราไปดื่มสุรามีไรบริสัทธมัจะพันเผือนทำลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยใชยเหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเขาเหยียดหยามโดูถูกโดนเหม็นคนดื่มสุรามีไรไม่เป็นที่นิยมของคนดียังมีอยู่บ้างก็สำหรับคนเลวเท่านั้นคือว่า เ, เลวเท่ากันเขาก็ดีเขาก็นิยมกันเอง คนดีดีนี่เขาไม่นิยมผูดอย่างนี้คนจะไม่ถูกใจคนดื่มสุรา่าก็ช่างไปเลยเวลาพูดกันเฉพาะบุคคลที่ต้องการความเป็นประโสงค์ดาบันเท่านั้นสินห้ารายการสําหรับคริวัตโองงสมเด็จพระบรมโลกา น, น, นาถือว่าเป็นปกติศินที่คนทุกคนต้องการสําหรับพระสำหรับเนงก็จงระวัง ท่านจงอย่าถือว่ามีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดมีสินสิบหากว่าสินห้าสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งท่านพลาดก็สแสดงว่าสิขาบททั้งเจ็ดสองร้อยี่สิบเจ็ดสิขาบทแล้วว่าสิขาบทสิของท่านไม่มีเลยแล้วของเล็กยังรักษาไม่ได้ของใหญ่จะรักษ า, าได้ยังไงเป็นอันว่าท่านทั้งหลาย การที่จะเข้าถึงความเป็นประสนดาบันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือศีลรักษาสีลสสเท้ไั่ของทานองจิตให้ทรงอยู่อย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างสาวกโองสมเด็จพระบรมครูเวลามีน้อยยกตัวอย่างมาแค่ในน้อยอย่างนางคุชุตราสาวใช้เขาว่านาวสาวมาวาดี ในตอนต้นนี้นางขโมยข้าดอกไม้ของพนายวันละสี่ตำลึงเพราะว่าพ น, นางสนมาวดีที่รับความเมตตาจากพระเจ้าเทียนบรมกษัตริย์เระมา ท, ทาเท้าเธอทรงพระพระเจาทานข้าดอกไม้วันละแปดตำลิงกจุตราสาวชาววางังใกล้ชิด ไม่รับใช้ให้เปซื้อดอกไม้ก็ว่ากันเสียคนวันละสีตำลึงสี่ตำลึงวันละครึ่งของผลที่ให้ไปต่อมามันนางได้ฟังเทศขององค์สมเด็จไปจอมไตรบริบาศาสนาเทศจบที่บ้านและบ้านคนในมาลาการก็ปรากฏว่า น, นางนั้นได้เป็นเบสโวดาบัน เมื่อเป็นบโสดาบันและวันทัพตะ ว, วันนั้นเป็นต้นมานางก็เลิกโกงค่าดอกห้ที่เห็นว่าคนที่เป็นบรโสดาบันนั้นเขาไม่ละเมิดศีลห้าจริงๆอีอันหนึ่งในเรื่องเดียวกันสำหรับการรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนี่ก็ได้แก่คณะเขาเปนนางนานสาวมาวดีก็มีคุจุตราเป็นอาจารย์ เมื่อกลับมาถึงพระราชฐานพนานสา ม, มาวดีเห็นดอกไม้มากขึ้นเท่าตัวจึงถามว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานค่าดอกไม้แต่ฉันเพิ่มไือยังไงนายกุจิตราก็บอกว่าไม่ใช่แปรเจา้าพระราชทานเท่าเดิมแต่วันก่อนก่อนนี่มอมฉันโกงสักครึ่งหนึ่งซื้อมาครึ่งหนึ่งนี่คนนี้เป็นวาสนดาวันนี้เขาก็ไม่โกหกด้วยเขาพูดตามความเป็นจริง พนานสามาวันดีถามว่าวันนี้ทําไมจึงไม่เอานางก็บอกก็ไม่เอาแล้วฟังเทศจากองค์สมเด็จพระประทีพแก้วท่านบอกว่าบาปเป็นความชั่วพนานสามมาวดีขอให้เธอเทศให้ฟังพร้อมงในหญิงห้าร้อยเขาพูดกันลัดๆเธอเทศได้ฟังจบเดียวตปรากฏรองหญิงทั้งหมดเป็นเบสรดาบันหมด ในขณะนั้นเองที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังอยู่ในประเทศนั้นวันหนึ่งพันนางมาคันธิยามีความริษยาในในพันนาสามาวดีกับคณะที่บํารุงพระพุทธเจ้าจึงตั้งใจจะเข่งฆ่าพันนาสามาวดีกับหีิงห้าร้อยคนให้หมดเพราะสนใจกับองค์สมเด็จพระบรมสุคตเธอไม่เลื่อมใส พ น, นานยงได้เอาให้อาให้เอาไก่เป็นไปให้พนพนาสามาวดีแกงมาให้พระราชานี <c oughs> ่ขอเล่ากันแบบ ล, ลัดเป็นการประกอบเรื่องพ น, นานสามีพร้อมดีหญิงห้ารอได้ฟังข่าวว่าพระราชาต้องการเสวยแกงไก่แต่ว่านําไก่เป็นมาให้นายก็บอกว่ารับไม่ได้เพราะฉันรักษาศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้ เขาบอกว่าเป็นคำสั่งผู้ราชาอาจจะต้องถึงตายนางก็บอกก็ไม่เป็นไรถ้าฉันแยตายเพราะทรงสินบริสุทธิ์ฉันยอมรับเป็นอันว่นนานางก็ไม่ยอมฆ่าสัตไม่ยอมฆ่าไก่ที่รบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเจนว่าความเป็นเบโสดาบันนี่มีความมั่นคงในสินจริงๆอย่างนางโุจุตรานั่น เอาไม่ยอมนำเอาทรัพย์สินที่วันทึบ น, นาสามาวดีให้ไปซื้อดอกไม้ที่เคยโกงไว้วันละสี่ตำลึงเขาก็เลิกโกงเมื่อไม่โกงแล้วก็ไม่โกหกหมดเท็ดถ้าต่อมาคณะข้าวนาสาวมาวดีทั้งหมดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตเพราะขัดคําสั่งของพระราชาแต่ตว่าพ้นนางทั้งบรรดานางทั้งหมดมีหญิง ห้าร้อยคนถ้ามีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็กล้าที่จะยืนยันว่าเราจะไม่ยอมฆ่าไกา่อาหารเพราะว่าเราก็เคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกก น, นาต จ, จะตายก็ตามทียอมรักษาสินยิ่งกว่ารักษาชีวิตยี่และบรรดาท่านหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไหนๆท่านก็ประกาศตน คารับในองค์สมเด็จพระทศพลบรมสารสันด า, ส, าสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วและก็ต้องการความเป็นประสนดาบันคือเป็นของความสุขขันต้นในพระพุทธศาสนาขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจนพายการรักษาสังโยชน์ข้อที่สามคือทำลายอารมณ์ที่รัดจิงใจในแก่ศีรพตาปรามาศ การเป็นผู้ทำลายสินจงอย่ามีแกจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธรบริษัทขอให้บรรดาท่านพุทธรบริษัททุกท่านจงมีความมั่นใจในการษาศีินและจงเชื่อ ว, ว่าท่านผู้มีสินบริสุทธนั้นย่อมมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมราระภพ คือคนที่มีเสียงโดยสุดชาตินี้ก็มีความสุขว่อตายจากชาตินี้แล้วเกิดไปในชาติใหม่ก็มีความสุขขึ้นชื่อว่าความทุกข์ใดๆที่จะมีปัจจัยเกิดจากศีลไม่มีสาหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแนะนำกันก็หมดแล้ว ต่อจากนี้ไปขอตันบรรดาท่านนงหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระไปทีแก้วจงใช้อิรยาบถตามสมควรนั่งปฏิบัตินั่งคัตมัดนั่งพับเทียบนั่งหอยขากับเก้าอี้จเจริญกายบนเตียงนอนแลืขัดพื้นท้งข้างล่างจะยืนหรือจะเดินจงกรมก็ได้ให้ทรงใจนึกถตง้สินไว้เสมอที่เราเรียกคำว่าสีลานุสติกรมฐ า, าน แต่ว่าสีลานุสติกรมัฐานจะทรงอยู่ได้นานก็เพราะอาศัยมีพรมีหายคือเมตตากุณาทั้งสองแ้งการคงอยู่ด้วยอย่าช่วยให้อารมณ์ใจของท่านเป็นเอกกาตารมเรามองเวลาสําหรับการที่จะพูดกันก็นหมดแล้วต่อเทนี้ไปขบัรดาสา ว, วกโค้งสมเด็จพระบัณฑิแก้วโยงปฏิบัติตามประทำคำสั่งสอนที่องสมเด็จพระชินวรและนำมาตามที่กล่าวแล้ว จนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่าน